ก่อนที่จะมานี่นะคะก็ไปสมัครกับอาจารย์แล้วก็ชวนเพื่อนไปสมัครด้วยค่ะเพื่อนก็บอกว่าจะสมัครพออยู่มาสักอาทิตย์หนึง่งเพื่อนก็บอกว่าชวนว่าอย่าอย่ามาบวชเลยนะไปเที่ยวด้วยกันแต่แต่ดิฉันนะคะตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าจะมาบวชก็ต้องมาให้ได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเวลาดิฉันทำอะไร ก็มัเคยชวนเพื่อนไม่เคยไปไหนคนเดียวค่ะจะเดินไปห้องน้ําก็ต้องเชิญเพ่อนไปด้วยหลายอย่างค่ะคือไม่กล้าและไม่มีความมั่นใจในตัวเองหลังจากนะคะมาอยู่ที่นี่มาคนเดียวค่ะก่อนมาก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะคะแต่เพื่อนเขาไม่มาค่ะแต่ที่ฉันชอบชอบในเรื่องทางทรรชอบความสงบก็เลยต้องตัดสินใจค่ะว่ามาคนเดียวก็ได้ไม่เห็นจําเป็นเลยแล้วต่อมา พออาจารย์โกวิดหว่าพูอาจารย์อื่นยำสอนยำแนนเรื่องการอยู่คนเดียวพูดหลายอย่างคืคอมันกระทบกันจิตใจของที่ฉันก็เลยคิดได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยกล้าไปค่ะไปห้องน้ำก็กล้าไปคนเดียว่ะทาอะไรก็ก็สามารถทำได้ค่ะด้วยตนเองค่ะแค่นี้ค่ะก็ คือคืออยากจะพูดความรู้สึกของพวกเราหลายๆคนนะคะตอนที่นั่งฟังอาจารย์บรรยายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งใจฟังมากนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะรับรู้ทุกคาแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วคิดว่าบางอย่างก็เข้าใจนะคะแต่มันก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันถึงง่วงง่ายๆก็ไม่รู้แล้วก็หันไปมองคนอื่นๆก็กำลังง่วงอยู่เหมือนนกันก็เลยรบบว่า ได้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวที่อาจารย์เน้นก็คือการต่อสู้เนี่ยเรารู้สึกว่ามีความภูมิใจมากในการต่อสู้แบบชนะตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความภูมิใจสูงสุดเลยก็คิดว่าขอให้พวกเราทุกคนต่อสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นครับ จ้าจ <ly> <sú him, S 3> <alla odel> ้าแรกที่ออกจากบ้านแล้วมันถึงที่อสมสันติเมตรนี้ก็พระเจ้ารู้สึกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเนี่ยเมื่อก่อนรู้สึกว่า จะชอบสดยหนูว่าชอบเที่ยวชอบสะดวกแล้วก็มันปิดแปลกเลยจากการที่มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสงบขึ้นแล้วก็รู้จักรับผิดชอบต่งตางๆจนมีความภาคภูมิใจที่ไม่อยากจะกลับไปจากที่นี่ค่ะ อ, อก่อนอื่นนะคะขอใช้แทนตัวเองว่า น, นิดนะคะตอนแรกที่มาอยู่ที่นี่ก็อยู่คนเดียวเงียบๆ เ, เพราะว่าก็มีเพื่อนฝูงแต่ว่าก็ไม่เออกตทึกคือโครมพอมาอยู่ที่นี่วันแรกๆไปสันติอม่ไปสุนโมกนะคะก็มีความประทับใจเพอกลับมาอยู่ที่สันติเมธีก็เป็นวันแรกที่มาอยู่คือมาบวชหลังเพื่อนนะคะคือมีภารกิจที่มาไม่ได้ช่วงวันเ อ, อทําพิธีปวชวันแรกก็มาอยู่ คืนแรกที่สันติมีตีนะคะรู้สึกว่านอนไม่หลับคือไม่ใช่ว่าคิดมากนะคะคือเสียงเสียงรบกวนคือการอยู่ร่วมบคนอื่นๆอย่างคนหมู่มากอย่างเงี้ยน่าจะมีความคือคนเราต้องมีความรับผิดชอบและมีความเกรงใจซึ่งกันและกันสิ่งไหนที่คนทําสิ่งไหนที่ไม่คนทําก็พอวันหลังๆขึ้นมาก็อาจารย์กุวิสอนเรื่องการทําสติการทําสมาธิรู้สึกว่าดีขึ้นมาก กัรอยู่ร่วมกันก็ปกติคือมีความคือต่างคนต่างมีความคิดที่ว่าจะทําสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีค่ะตั้งแต่บวชมานะคะหนูมีความรู้สึกว่าตัวหนูหนเองจะมีความรับผิดชอบแล้วก็ช่วยตัวเองได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะค้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่อมาอยู่สารติไมซีก็แบบว่าว เพื na, so Money, ่อนก็มีความเมตตากันเลื่อเพื่อเฟื้อกันแล้วพอส่วนมากก็ต่างคนก็มีสมาธิกนรการศึกษาจากพระอาจารย์พระอาจารย์สอนก็ทั้งใจเรียนกันข้าพเจ้ามาอยู่สันติเมซีก็รู้สึกว่าได้มีประสบการณ์มากในการมาอยู่ที่นี่ค่ะตั้งแต่ดิฉันเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะ รู้ส yes> ึกว่าพี wow okay, <k <k ja ่ๆที่นี่ดีมากเลยค่ะน้องน้องๆไม่เคยก็ตอนแรกหนูคิดว่าหนูก็จะมาบวชแต่มาคิดอีกทีก็มีภาระราชิ้จะต้องทําก็คือสอบจุ้งทำมอดีฉันไม่สบายสบายใจใจมากเลยค่ะแต่ก็คิดว่าอยากจะมาบวชเพราะจากการที่ ท่านอาจารย์ที่โรงเรียนได้จัดการเข้าค่ายจริยธรรมก็รู้สึกประทับใจมากค่ะก็เลยอยากจะมาบวชคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจจะมาบวชเลยไปสมัครวันเกิดสุดท้ายแล้วก็เมื่อเข้ามาบวชที่นี่รู้สึกว่าจิตใจสงบมากเพราะอยู่ในโลกภายนอกมีแต่ความวุ่นวายสับสนและพี่ๆญาติโยมตลอดถึงพระอาจารย์ที่นี่ก็ ใจดีโดยเฉพาะญาติโยมที่นี่นะคะมีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่มากค่ะและจากการที่ข้าพเจ้าจากความสบายมาสู่ความลําบากก็เมื่อก่อนนี้ก็เข้าใจตามคําที่ว่าความลําบาก ส, สร้างคนความสบายทําลายคนก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเองแต่พอมาสัมผัสจริ ง, รงๆเข้าก็รู้ซึ้งค่ะจากที่นอนที่เคยสบายนอนฟูกนุ่มนวล ก็มานอนบนกระดานที่แข็งอะไรอย่างนี้ค่ะแค่นี้ค่ะพูดดีพูดเร็วไปหน่อยพูดดีมีเนื้อหามากๆยังไม่ยังผมยังไม่ลืมพูดไหมจะพูดไหมเอาพูดไักนิดก็ได้ครับกลัวอะไรก็ก่อนที่จะมามวน ข้าพระเจ้ารู้สึกว่าเมื่อก่อนกับแม่ก็เคยเถียงแม่ชอบเพื่อนในห้องกขอบอกว่าอย่ามาบวชเลยมาอดปลอบเองข้าพระเจ้าคิดว่าข้าระ้าะเจ้าได้ประสบการณ์หลายอย่างที่มาบวชที่นี่ค่ะ ผมผมจะเล่านิทานให้ฟังนะครับ ต, ตั้งใจฟังต้องตั้งใจครับว่านิทานหนึ่งนี้จะเป็นบทสรุปคํญญาบรรยายที่ผมผมบรรยายมดแทบจะทั้งหมดเผื่อว่าวันหลังเนี่ยครับไปอยู่ในเมืองทํางานอยู่แล้วก็นึกนิทานเรื่องนี้ได้มันจะปฏิบัติถูกทันที นิยายนี้ผมอ่านจากหนังสือของชาวเตริรกีครับชาวเติร์กซึ่งเป็นชนชาติซึ่งเจริญมากเหมือนกันในอดีจะมาที่นี่ทุกปีผมจะต้องเล่าให้ฟังเกือบจะทุกทุกครั้งใครฟังแล้วติดถือฟังซ้ากันแล้วกันนะยังมีเจ้าหญิงคนหนึ่งครับที่สวยมากๆแล้วฉลาดมาก พลิกมือไปด้วยความเฉล扰ของเธอนั้นทำให้เป็นเหตุใ ห, ให้เธอหาคู่ครองยากมากเพราะเธอเห็นทุกค น, นงโ ง, ง่เงาไปทั้งสิ้นทีนี้เพื่อดีให้ได้คู่ครองที่เหมาะสมกับปัญญาของตัวเธอก็ประกาศการเลือกคู่โดยตั้งกติกาว่าเธอจะแต่งงานกับ ใครก็ตามที่สามารถตั้งคำถามให้เธอจนได้เพราะเจ้าหญิงเชื่อมั่นในปัญญาตัวเองมากที่คนที่ถามให้เธอจนได้นั้นก็ต้องฉลาดกับเธอแน่ๆ แ, แล้วจะได้แต่งงานแต่ว่าถ้ถาภายในสามวันไม่สามารถตั้งคำถามให้เจ้าหญิงจนตามกติกานั้นจะต้องถูกตัดคอผู้ถามจ ะ, จะต้องตาย <c oughs> และแถมกติกาว่าผู้หมายมั่นจะแต่งงานกับเธอหรือผู้ผู้หมายมาจะแต่งงานกับเธอนั้นสามารถแต่งตั้งตัวแทนมาตั้งคำถามได้แต่เมื่อข่าวตายต้องตายทั้งคู่ทั้งตัวแทนและผู้ที่ส่งตัวแทนมาข่าวนี้ก็ลือไปทั่วหลายแคว้น เจ้าชายน้อยเจ้าชายใหญ่ก็ามาเพราะาเธอสวยมากๆแล้วฉลาดด้วยแต่ก็ตายกันเป็นเบื่อครับเพราะว่าตั้งคาถามเส้นไร้เส้นไรเจ้าหญิงตอบได้ทั้งหมดทีนี้ก็จะกล่าวถึงเจ้าชายโง่ครับยังมีเจ้าชายโง่จะเรียกพระเอกก็ได้แต่ว่าเป็นเจ้าชายที่โ ง, ง่ามากๆพอได้ยินข่าวเจ้าหญิงท่านั้นก็นึก กระสันมันมั่นหมายที่จะได้เป็นเป็นชายายังไงทั้งๆทงีตัวเองโง่มากๆกลัดกลุ่มเพราะตัวเองไม่ฉลาดตมัดคนสนิทนะครับสังเกตเห็นเจ้านายท่นนั้น <c oughs> ตัวมดัดนี่เป็นคนฉลาดมากๆเลยครับเมื่อสอบถามได้ความแล้วก็ให้กังใจว่าอย่ากลัวเลยข้าพระองค์จะทำหน้าที่แทนทูลกระหม่อมเอง ขอให้ไปสมัครกันเถอะจะได้ครองคู่แน่ๆฉันเจ้าชายและอมาตะคนสนิทก็ปลอมกายเป็นคนสามัญแล้วก็เลล่อนมาที่เมืองของเจ้าหญิงพักอยู่ในสวนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปลงชื่อสมัครเจ้าชายโง่ น, นั้นก็ลบเร้าว่าแน่นะต้องได้ต้องได้คู่ครองแน่นะอมาตะก็ปลอกใจไม่อยากกลัวเลยเขาเชื่อในติตวัญญาณเขา วันแรกอมหมากก็ไปทําหน้าที่แทนนะครับตั้งถามต่อหน้าเจ้าหญิงจนตกเย็นนะครับหมดไปวันหนึ่งเจ้าหญิงตอบได้หมดเพราะเจ้าชายนั้นหลอนนอนรอในกระท่อมในสวนพอหมา ก, กลับไปถึงเล่าให้ฟังแล้วเจ้าชายก็รู้สึกกังวนกวายเพราะว่าหมดไปวันหนึ่งแต่ยังยังไม่สามารถต้อนให้เจ้าหญิงจนจนมุมได้ คืนนั้นอมากก็นั่งเพ่งตั้งสติตั้งสมาธิคิดค้นหาคำถามที่จะให้เจ้าหญิงจนให้ได้ตั้งเช้าวันที่สองจนถึงเย็นหมดไปอีกเจ้าหญิงยังไม่จนคืนนั้นเจ้าชายนอนไม่หลับเลยเพราะเพราะอีกวันเดียวก็ต้องตายแทนที่จะได้มีก็ตายทันทีอมากเองก็ชักชักไม่แน่ใจขึ้นมา แต่ว่าคืนนั้นอมหมายเขไม่ยอมนอนเขานั่งสมาธิทั้งคืนเลยฝ่ายเจ้าชายก็นอนกายนะผาสเพราตกดึกนะอมหมายร้องอุทานขึ้นมาว่าสําเร็จแล้วประาณั้นแล้วก็ปลอบเจ้าชายว่านอนให้หลับเถิดรับร้องได้เลยพวกนี้จะต้องได้เมียแน่ๆงเช้าหมาก็ไปแต่เช้าครับไปถึงก็ยืนขึ้นที่หน้าเจ้าหญิงแล้วก็ลุกขึ้นถามปัญหา ปัญหาของอมตะนั้นเป็นปัญหาที่ต้องเล่านิทานก่อนแล้วจะถามปัญหาในนิทานนั้นอมาตก็เล่าว่าครั้งหนึ่งยังมีเจ้าหญิงคนหนึ่งสวยงามมากและฉลาดที่สุดถ้าเธออยากแต่งงานแต่ว่าเธอได้ตั้งกติกาว่าผู้ที่ฉลาดกว่าเธอต้องตั้งคำถามให้เธอจนภายในสามวันปนัณณี ก็ขมอมขอถามว่ามีปัญหาอะไรที่เจ้าหญิงตอบไม่ได้บ้างเขาใส่เเขาใส่มงก่าเจ้าหญิงก็แพ้ครับเพราะเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ตัวเองฟังตัวเองก็ตอบไม่ได้ในสุดก็เจ้าหญิงก็ต้องแต่งงานกับเจ้าชายจบครับเรื่องตอนเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากเรื่องนี้ แต่เรื่องสนุกผมอ่านแล้วผมชอบมากเลยหนึ่งอ่านเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับตอนผมเป็นเด็กๆยังไม่ลืมเลยส0มสิบปีนะประมาณสามสผมอ่านตอนอยู่มสามหออะไรเนี่ยเรื่องนิยายป่าชาอัางตรรกีแต่มไม่เข้าใจความตอนนั้นจนโตผมผมออกบวชแล้วหลายปีจนนึกทบทวนมนทานเอนนิทานเรื่องนี้มัสำคัญนะ ลองฟังเฉลยนะครับฟังตีความแบบปริศนาธรรมเจ้าชายโง่นั้นเปรียบด้วยร่างกายครับคือมันคิดอะไรไม่เป็นครับมันทื่อๆนี่แหละเนี่ยร่างกายเนี่ยมันมันคิดอะไรไม่ออกจริงไหมครับส่วนจิตมันฉลาดเปรียบด้วยเจ้าหญิงเนี่ยมันฉลาดด้วยมันสวยด้วยมันงดงามด้วยแต่มันดุร้ายด้วยคือพลาดนิดเดียวมันฆ่าเอาด้วยทีนี้ตัวอัมมาดนี่คือตัวสติเนี่ยครับ พอเอาสติมาประกบกับกายเข้านหรือพอสติดีเรียกว่าถึงขั้นจิตตาอุปัสฐนาสมมติจิตกำลังคิดอยู่ก็ย้อนหัวหอกลับไปตัวมันเนี่ยเข้าใจไหมครับคือดูขณะที่มันคิดเข้ามาเนี่ยแหละจิตคิดไปก็ดูมันตัวมันเองที่มันกำลังคิดนั่นเองพอดูขณะที่มันคิดมันจะยุบลงมาทันทีหมายความเรื่องทั้งหมดก็จบเกมเลยใช่ไหมเข้าใจไหมครับอมหมายนั้นฉลาดมากมาก เราไม่ต้องคิดใ้เปลืองสมองเอาเรื่องเจ้าหญิงมันย้อมเจ้าหญิงจบก็จางนะครับดังนั้นช่วยจํานิทานนี้ไว้เล่าเด็กครับหรือเพล่เลขึ้นมาสมมติว่าเราเดินในตลาดที่โรงเรียนมีเรื่องวุ่นวายใจนี่ก็ดูตรงที่มันวุ่นนั่นเองก็าจางนะครับพอ ด, ดูตรงที่วุ่นเหมือนกับว่าอมัดกับถามคําถามเจ้าหญิงโดยเอาเรื่องเจ้าหญิงมาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมใหยายก็าจางนะครับ เรื่องมจะจบทันทีเราวุ่นวุ่นเอ๊ะนี่มันวุ่นเนี่ยพอเห็นเท่านี้ครับเออมดีขึ้นแหละเรื่องริษราบเรียบขึ้นมาจาได้ไหยครับเรื่องนี้นั่นแหละเรื่องนัสลุดินเรื่องหนึ่งเรื่องเจ้าหญิงสวยเรื่องหนึ่งเอาละเลิกครับคืนนี้จะเล่าอีกเรื่องหนึงท่านนึกออกเอาละกราบไปเะ